สิ่งที่เราควรจะทำก็คือการเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับมันการที่เรายิ่งหันหลังให้มั น, ในใหนีมันนะยิ่งทำมากเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นภัยกับตัวเองเพราะว่าสักววันหนึ่งเมื่อต้องเจอมัน แต่เราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้ฝึกปรือวิชาในการที่จะรับมือกับมันเลยเราก็จะโดนความทุกข์เหล่านั้นเล่นงานถึงวเวลาปล่วยก็ไม่ได้ป่วยจากกายก็ป่วดใจด้วยถึงว่าเราแกนะ่ไม่ได้แก่แต่กายใจก็หอเหี่ยวชินเรียวแรงด้วย เวลาหายก็ไม่ได้หายแต่ของนะใจก็หายความสุขก็หายไปด้วยถผู้ฉลาดเนี่ยเมื่อรู้ว่าอะไรเราอยู่ข้างหน้าก็จะไม่นิ่งดูได้ก็จะไม่หลงเพลิดเพลินะในความสุขสนุกสนานแต่ว่าจะตะเตรียมฝึกซ้อมเอาไว้ ไม่มีคำพูดนะที่เราจะเคยนิ่งบ่อยนะยามสงบเราฝึกยามสึกเรารบนะยามสึกเรารบในช่วงที่เรามีความสุขเนี่ยนะเราก็ต้องฝึกเปลือาไว้จะต้องมีการฝึกซ้อมต้องเจอของยากๆเป็นการบ้านหนัก เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาศึกสงครามนะมากระชิดเราก็จะสามารถรับมือกันได้าศึกสงครามนี่เป็นธรรมดาของทุกประเทศนะอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่จะเกิดเท่านั้นแหละหรือว่ามันจะมาในลักษณะดใดอย่างในยุโรปเนี่ยก็เคยสู้รบ นะระหว่างรัฐระหว่างประเทศกันมาจนเกิดสงครามโลกสองครั้งตอนนี้เขารวมมาเป็นสหาภาพนะเหมือนกันเป็นทองแผ่นเดียวกันก็ยังไม่วายเกิดศึกสงครามนะแต่ตอนนี้มันมาในรูปองการก่อการร้ายมานในรูปองการก่อการร้ายนี่ก็เป็นศึกสงครามแบบหนึ่ง ไอ้ฉันต่ก็ฉันนั้นนะชีคนเราก็ต้องเจอความทุกข์ซึ่งบางครั้งก็ไม่ต่างจากสงครามน้อยๆหรือว่าอาจจะเป็นสงครามชีวิตเลยทีเดียวแต่ถ้าเราได้ฝึกฝนเอาไว้เราก็จะมีความสามารถในการที่จะรับมือ ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เราไม่เราไม่สูญเสียไม่ทุกข์ระทมหรือว่าย่ำแย่หนักกว่าเดิมเท่านั้นนะแต่ว่ายังสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ด้วยเวลาแก่ก็แก่แต่กายนะใจไม่แก่เวลาป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเวลาเสียก็ไม่อเสียแต่ ก็เสียแต่ของนะแต่ว่าใจไม่เสียอันนั้นคือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองคือว่าเมื่อเสียของนอกจากใจจะไม่เสียแล้วยังได้ด้วยใจอะไรทังได้ธรรมะได้สติได้กัญญาเวลาป่วยป่วยแต่กายใจไม่ป่วนถ้าไม่พอนะ ยังได้เนยได้ธรรมะแต่อาจารย์พุทาท่านบอกว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาดจะทำใี้ได้เนี่ยนะก็เรียกว่าผ่านการฝึกฝนมาผ่านการฝึกปลือมา หรือมิฉะนั้นก็เกิดจากการที่ได้เจอเหตุการณ์เหล่านี้ซ้าแล้วซ้าเล่าแล้วก็ใช้ปัญญาไค้ครุ้นใ้การที่เราจะมีปัญญาในการที่ในการรับมือกับมันหรือคุณภาพจิตในการที่จะรับมือกับมันเนี่ยมันต้องเจอต้องเจอของจริงนะ เราถึงจะมีวิชามีทักษะในการรับมือกับความทุกข์ที่จะมาหาเราเมื่อปี54ก็มีคนมีน้ำท่วมใหญ่แล้วมีคนสูญเสียสับสมบัติมากมาย หลายคนก็สิ้นเนื้อประดาตัวหลายคนก็ไปถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวนะแต่ว่าทรัพย์สมบัติก็สูญหายไปเยอะหลายคนทําใจไม่ได้พราไม่เคยคาดคิดก็เสียจริตไปไม่ใช่เกิดเสียแค่ทรัพย์นะแต่เสียจริตคือคุ้มครองบางคนก็ าศาสใส่ความเพื่อให้กับกันก็เลยเสียเสียภรรยาเสียคนรักเพราะว่าเลิกรานะจากกันบางคนก็ถึงกับเสียชีวิตเพราะว่าทําใจไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายแต่ก็มีบางคนนะที่สามารถจะทําใจได้ไม่ทุกข์กับมันก็มีผู้หญคนหนึงเขบอกว่าเนี่ย น้ำท่วมครั้งนี้ก็มาสอนให้รู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างที่เรามีเป็นของชั่วคราวเท่านั้นแหละอย่างนี้เรียกว่าได้นะแม้เสียทรัพย์แต่ว่าได้ปัญญาได้เข้าใจธรรมะธรรมะคือความจริงต้องถือว่าคุม้มนะเพราะว่าทรัพย์นั้นเนี่ย มีเงินเมื่อไรก็หาใหม่ได้แต่ว่าปัญญาเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้แลวถ้ามีปัญญาแบบนี้เนี่ยครั้งต่อไปสูญเสียอีกหรือสูญเสียหนักกว่าเดิมก็สูญเสียแต่ของสูญเสียแต่สิ่งนอกตัวแต่ว่า ใจไม่เสียศูนย์ใจกเป็นปกติได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเสียคือได้คนฉลาดเนี่ยเสียคือได้เสียทรัพย์นะแต่ว่าได้ปัญญาได้วิชาในการที่จะ ภาจิตพาใจหรือว่าพชีวิตก้าวข้ามความทุงและอุปสรรคมันมาก็จริงนะความทุกข์อ่ะแต่ว่าฝ่ามันไปได้ข้ามมันไปได้เพราะว่าได้เคยเรียนรู้จากความสูญเสียเรียนรู้จากความทุกข์ เพื่อในการเตรียมตัวเตรียมใจ เ, เพื่อที่จะรับมือความทุกข์ที่ตามมา เ, เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจถ้าเราปรารถนาชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่ในภายภาคหน้าทนั้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตรงนี้ด้วยแลการเตรียมตัวเตรียมใจที่นิสุยคือกา ร, รเสริญกับความทุกข์ ไม่ใช่ความไม่ใช่คิดเอาว่าเออถ้ามันมาแล้วค่อยทําใจนะถ้ามันมาแล้วก็ค่อยปล่อยวางแล้วกันหลายคนคิดแบบนี้เยอะคือรู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ว่าไม่ได้ฝึกเลยก็เป็นแค่นึกว่าเออถึงมันถึงเราเกิดขึ้นก็ทําใจนะถึงเราเกิดขึ้นก็ปล่อยวางนะ น, นั่นเรียกว่าประมาท น, นั่นเรียกว่าไม่รู้เราจะมั่นใจว่าจะพร้อมรับมือกับมันก็ต่อเมื่อเราได้ฝึกกับของจริงการเดินธรรมยาตราเนี่ยมันก็เป็นส่วนของการฝึกฝนนะการตักเตยม ธรรมาตาเนี่ยบางคนก็สงสัยว่าทําไมต้องไปเจอความทุกข์ยากความลําบากห้าหกเจ็ดนะ 5, 6, 7, นวันหยุดแทนทําไมไม่ไปเที่ยวไปพักผ่อนไปส่งสนานทําไมไมาต้องมาเดินตากแดดตากฝนทําไมต้องมาเจอความร้อนความหนาวความผิวความปวดความเมื่อย นี่ไม่เรียกว่าทร ม, มาตรนตนเ่ยที่จริงแล้วเนี่ยธรมยรมญาตาให้ว่าไปแล้วก็คือการเดินหน้าเข้าหาทุกขนะ์นแล้วก็ตั้งใจเลยนะที่จะให้ได้เจอทุกข์ทั้งนี้ก็เพื่อว่าเราจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์หรือเจอความทุกข์ได้โดยใจไม่ทุกข์ เมื่อมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าชีวเราเนี่ยเราหนีไม่พ้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันโดยใจไม่ทุกข์ความแก่ความป่วยนไม่มีใครหนีพ้นแต่ไม่แปลว่าแก่แล้วจะต้องทุกข์นะทุกกายใช่แต่ไม่จำเป็นต้องทุกข์ับป่วยนี่ก็เหมือนกันนะไม่แปลว่าป่วยแล้วจะต้องทุกขนะ์นะอาจจะป่วยกาย แต่ว่าใจไม่ป่วยพระรหัสหรือพระกระจาดทาก็ก็ต้องแก่ต้องป่วยแลวต้องตายแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายแต่ว่าใจไม่ทุกข์เราถึงไม้จะทำไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมีความทุกข์ระดับน้องๆนะที่เราสามารถที่จะ รับมือกับมันได้ถ้าเราฝึกฝนธรรมย atra เนเดินหน้าก็หาทุกเพื่อให้เราไปได้เรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับทุกขโดยที่ใจไม่ทุกทุกวันนี้ผู้คนเนี่ยเอาแต่หนีทุกนะก็ไปอยู่ชีวิตดูไปเข้าหาชีวิตที่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินนั่งรถตลอดไม่ต้องเดินขึ้นบันไดมีเลิฟไม่ต้องเจอร้อน คนหนาวนะมีเครื่องปรัอากาศมีเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วเราก็คิดว่าชีวิตเราเนี่จะไม่ต้องทุกข์ก็ได้ถ้าเรามีเงินมีเทคโนโลยีมีสิ่งอานวยความสะดวกอันนี้คือความหลงนะคือความเพ้อฝันเพราะว่ายัางไงก็ต้องเจอความทุกข์ไม่ใช่แค่ทุกข์ใจนะทุกข์กายด้วย วันหนึ่งนี่มัต้องเจ็บป่วยอยา่าแล้วก็ปวดเอาไมา่อยู่เทคโนโลยีใดๆก็เอาไม่อยู่ถึงตอนนั้นแหละที่พิ่งอย่างเดียวปิดใจเมื่ต้องพูดถึงทุกไมเต้องพูดถความทุกข์ใจนะซึ่งต้องเกิดขึ้นแม้จะรวยแค่ไหนแม้จะสบายแค่ไหนพอแม่เลี้ยงดูผมก็ปลงมา อ, อย่างดีอย่างไรโลกก็ยังมีความทุกข์ใจความขัดเกลือนใจ ความเศร้าความคับแคนนี่ถ้าวางใจไม่เป็ น, ปนก็จะเป็นอย่างนั้นนะน่นก็ให้เรามองนะให้เราอยากจะมองว่าธรรมยตราเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราได้ฝึกได้เผชิญกับความทุกข์จริงๆถึงดูมันหนักนะแต่มันก็ยังย่อมกว่าความทุกข์ ที่เราจะต้องเจอในชีวิต <Yeah. S 1> เราเจ็บเราร้อนเราเหนื่อยเราเมื่อยอยังไงเนี่ยมันก็เล็กน้อยเมื่อเทียบกับความทุกขว่าเราจะเจ็บป่วยที่โรค ห, หนักนะโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งไอ้พวกนี้นี่ทุกคนเวทนานี่มัน ม, มันหนักกว่าที่เราเจอในธรรมยาตาเยอะแล้วถ้าในธรรมยาตาทุกอย่างนี้ เล็กๆแบบนี้เรายังไม่ไหวยังบวนโวยวาตีโพยตีพายอยากกลับบ้านแล้วถึงเวลาเราจเจอทุกข้อใหญ่ๆเราจะทำอย่างไรแค่หิวแค่กรงหายไม่ติดชั่วโมงเราก็ไม่ไหวแล้วทุกทั้งกายทุกทั้งใจแล้วถ้าเจอความทุกข์ที่ยิ่งกว่านี้ เราจะไม่แย่เลยจะไม่เสียศูนย์ิ่งกว่านี้หรือให้เรามองความทุกข์ข้างหน้าว่าเนี่ยก็คือการบ้านเป็นครูอาจารย์ที่จะฝึกให้เราเข้มแข็งกล้าแกร่งฝึกให้เราเนี่ยมีความเพียรพยายามวันนี้เนี่ยคนะ ทางมันยาวกลหลายคนก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะไปไหวไหมนะเช้าเก้าบ่ายสนะิบสี่นไม่รู้จะมาถึงที่พักกี่โมงบางปีก็ห้าโมงบางทีก็หกโมงเย็นแต่ว่าจุดหมายมันอยู่ไกลแค่ไหน อย่างที่บอกไว้แล้วนะให้วางใจให้เป็นใจก็อยู่กับปัจจุบันเดินวันนี้นี่พยายามน้อมใจให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปจดจ่ออยู่ที่จุดหมายปลายทาง ม, มากเพราะม่นทำให้ยิ่งท้อเพราะมันจะผลขึ้นมาในใจว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงไอ้ความคิดนี่แหละที่มันบั่นทอนร่างกายบันทอนจิตใจบัทอนองร่างกายบั่นทอนจิตใจ แต่ถ้าเราไม่ไปนึกถึงมันนะใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละก้าวใส่ใจกับแต่ละก้าวที่ที่เดินให้ถือว่าจุดหมายอยู่ที่ปลายเท้านะไม่ใช่ปลายทางให้ความทุกข์ใจก็จะมีน้อยลงแล้วมันก็จะซ้าเติมกายน้อยลงด้วยเช่นกันให้ฝึกนะท่องคาถาไว้ในใจ ในยางที่ท้อในอยางที่รู้สึกจะไม่ไหวนะนะซ้ายทนได้ขวาสบายมากหรือขวาทนได้ซ้ายสบายมากก็นเนถ้าใจไหวเนี่ยกายก็ไหวแต่ถ้าใจไม่ไหวกายก็ไม่ไหวใจต้องสู้จะไปกลัวทางที่ไกลจะไปกลัวทางที่ลำบาก เขยิ่งกลัวเราก็ยิ่งทุกข์แล้วยิ่งทุกขเราก็ยิ่งเจ็บยิ่งปวดมากขึ้นบางทีอาจต้องใช้อีกธาร น, นะเวลาใจมันฝ่อใจมันกลัวเนี่ยใจมันบอกไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าทนได้สบายมากยังไม่ยังยังไม่ปลุกใจใเงองเพรว่าลองบอกกับตัวเองว่า กูไม่กลัวมึงกูไม่กลัวมึงแต่ทางมันจะแกงกูก็ไม่กลัวนี่นี่ถ้าเราวางใจวางใจถูกนะมันจะปลุกพลังขึ้นมาแลวจะทำให้เราเกิดความเพียรการเดินวันนี้เนี่ยนะเราต้องถือบนกรเป็นการออกสึกนะ แต่ศึกนี้เนี่ยนะมีความเพียรเป็นทับหน้ามีสติปัญญาเป็นทับหลังความเพียรเป็นทับหน้าเลยนะต้องใช้ความเพียรแต่เพียรอย่างเดียวรวดๆไม่พอนะต้องสติและปัญญาถ้าข ย, ยันเดินแต่ว า, วางใจไม่ถูกนะมันก็ท้อเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงแต่ถ้าวางใจเป็นเอาสติ ใช้สติให้รู้ทันใจที่มันทอ้อใจที่มันเบือ่อใจที่มันหงุดหงิดรำคาญใจที่มีโทสะแค่รู้ทันใจที่เป็นลบเนี่ยมันก็กลับมาเป็นปกติดได้หรือว่าให้ใช้สติเนี่ยดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอ่บเท้าที่ก้าวเดินแ้วใช้ปัญญาด้วยนะใช้ปัญญาเนี่ยอย่างที่พูดมาให้เห็นว่า ให้ความทุกข์หรือความร้อนความเจ็บความปวยความเมื่อยเนี่ยนะมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างมองเห็ น, นมองเห็นข้อดีของมันว่ามันกำลังสอนเรานะให้เข้มแข็งให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงเข้าใจนะความจริงของชีวิตเป็นประโยชน์ของการที่จะฝันฝันไปให้ได้ เือดผลในภายภาคหน้าอย่างนี้เป็นต้นมองบวกมั่งนะอย่มองแต่ลบนะมองบวกคือมองเห็นประโยชน์ของมันไม่ใช่เห็นแต่ความน่ากลัวของมันอันเดินเที่วนี้ก็เอาความเพียรไปทับหน้านะสติปัญญาไปทับหลังแล้วก็จะนุนให้เรานะี่สามารถจะเดินไปถึงจุดหมายได้ แต่ถึงไม่ถึงจุดหมายก็ไม่เป็นไรนะขพอให้ทาเต็มที่สิ่งสำคัญกว่าคือความเพียรได้ทาเต็มที่แล้วส่วนสาเร็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งถึงหรือไม่เดีย๋ยวเพิ่งไปใส่ใจมันมากให้เราเล็กถึงพระมหาชนกนะพระมหาชลกเนี่ยฉากสาคัญเนี่ยก็คือฉากที่เรือแตกกลางทะเล ทะเลนี่ไม่ใช่ทเลยธรรมดาแล้วเมหาสมุทรเลยทีเดียวท่านก็มีไม้แผ่นหนึ่งเกาะเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะไหว้ํางข้อหาฝั่งผ่านไปแล้วหนึ่งวันก็ยังไม่เห็นฝั่งผ่านไปสองวันสามวันก็ยังไม่เห็นฝั่งแต่ท่านก็ยังไหว้ วันที่ห้าวันที่หกก็ยังไม่หยุดไหว้เหนือ่อยบ้างก็พักแล้วก็ไหว้ต่อวันที่เจ็ดก็ยังไหว้ยอยู่จนกระทั่งพระอิศเนี่ยได้ขอให้นางมณีเมฆขลามาช่วยนางมณีเมฆขลานี้เป็นเทพธิดาที่ดูแลท้องทะเลและผู้คนในท้องทะเลนางมีมณีเมฆขลาก็มาช่วยแต่ก็แปลกใจว่าทาไมมนุษคนนี้ ไหว้ น, น้ำด้วยความเพียรโดยที่ไม่เห็นฝั่งเลยก็ถามว่าก็เลยก่อนที่จะช่วยพรามาชน ก, ก็เลยถามว่าท่านไหว้น้ำทำไมไหว่ไม่หยุดทั้งที่ไม่เห็นฝั่งเลยพระมหาชน ก, ก็ตอบว่าก็เพราะเราเห็นประโยช์องความเพียรนาม น, นี้ไม่ขล่าก็ถามว่าเพียรทำไมเพียรไปก็ตายเปล่าเพราะว่าไม่เห็นไม่ถึงฝั่งหรอก ประมาณฉลก็บอกว่าเมื่อทําความเพียรเต็มที่แม้ตายหรือไม่สําเร็จก็ไม่เป็นหนี้ใครมนุษย์และเทเวดาก็ไม่ติดเตียงแล้วก็บอกต่อไปว่ามนุษย์เราเนี่ยเมือ่อเห็นประโยชของความเพียรแล้วสิ่งที่ทําไปนั้นยอมได้รัผลประโยชน์แห่งความเพียรย่อมปรากฏแก่ตนเอามือไม่ขลั ก, ก็ยอมแพ้ยอมจมํานนต่อเหตุผลก็เลยช่วย นะอุ้มไปส่งฝั่งและลองนึกลองที่เราเจอทั้งนีน้แต่ก็ลองนึกนะว่าถึงไม่ถึงไม่เป็นไรจุดหมายปลายทางเห็นอยู่ข้างหน้าหรือไม่ไม่เป็นไรขอให้เพียงขอให้เดินเต็มที่นะถึงแม้ว่าจะไม่มีนนมณีเมฆพลามาช่วยอุ้มเราไปก็ตามนะแต่ว่ามีรถรับเราเสมอเพราะฉะนั้นถึงแน่นะแต่ขอให้เพียรเต็มที่ นะให้ทำสุดฝีมือนะหลวงพ่อเขียนๆนั่นแปลว่าให้ทำสุดฝีมือนะทำเต็มที่แล้วก็วางใจให้ดีนะอย่าซีเรียสเนะี่ยทำเต็มที่ดีอย่าซีเรียสแต่ถ้าใจมันอที่จุดหมายปลายทางแบบมันจะซีเรียสมันจะเครียดขึ้นมาทันทีทำเต็มที่ด้วยใจที่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็วางใจให้ถูกอย่างที่บมนะ เอาความเพียรเป็นทับหน้าเอาสติปัญญาเป็นทับหลังนะเดินทางอาตาวันนี้ก็มีผู้รับรู้นะแล้วก็ติดตามความเครื่อนไหวผู้เราอยู่นะอาจารย์สุรินทร์ก็คอยนะอัปโหลดนะรูปแล้วก็ข่าวคราวของคณะธรรมยาตรา ก็จะมีเพื่อนที่คอยเป็นกำลังใจกับเราบางปีนะมีคนเดินกับเราด้วยแต่คนละที่นะมีพรกเราอย่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยแกก็อยู่ถึงไกลนะอยู่คลิปแลนด์บังโอไโอแกก็ประทับใจนะที่พวกเรามาเดินธรรมยาตาตาแกก็เลยรวมกลุ่มกันเดิน พร้อมๆกับเราในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าเขาเดินกลางคืนนะเพราะเวลากลางวันของเราคือกลางคืนของเขาและอย่าลืมนะว่าทันวาเนี่ยของอเมริกาเนี่ยมันหนาวมากเลยนะแต่เขาก็เดินนะเขาหนักอะไรนะเขาเดินทางกางกาศที่หนาวบงทีก็หีมกปกแล้วก็เองคืนด้วย เขาก็ทำอยู่สองสามปีนะแล้วก็มีการส่งข่าวให้กันแล้วกันแต่ปีนี้เขาก็ไม่ได้เดินเพราะเขาก็คงจะมีอายุมากแนละ้วตั้งแต่ก็ให้รู้ว่าเนี่ยเวลาเมื่อเราเดินเนี่ยเราไม่ได้เดินลําพังนะมีผู้คนคอยให้กําลังใจตล้งมีปีนึงก็มีคนเขียนกรอนนะมาให้กำลังใจธรรมยาตานะิก็อยากจะอ่านให้พวกเราฟังนะเคยได้เป็น เป็นกำลังใจพวกเราสำหรับธรรมญาติกาปีนี้ก็ไปเกิดผู้กล้าเดสายแว้งกัอนราเอาไม่ตรงแล้วพอดาวออกได้แล้วก็ไปเกิดผู้กล้าอย่าท้อถอยผู้คนคอยเป็นแรงใจในแนวหลังแดดกระเพา เท้าจะพองต้องเปลี่ยนพลังข้ามคืนยังดาดดื่นดาวพราวศรัทธาจวงประกาศความห่วงใยในแผ่นดินจวงค้นพบอันซีนที่สแสวงหาอันซีนคือสิ่งที่มองไม่เห็นนะนะขอเดือนเพลงคือเพงใจให้ญาตาิตาสู่ธรรมดาง่ายงามและความจริงแล้วก็มีคนหนึ่งนะก็เขียนมาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแรงใจได้ดีนะ จะ แ, แพ้กี่ครั้งก็ยังสู้มีหวังอยู่มีหัวใจให้กล้าหาญใจไม่ท้อกับปัญหามาพบทานถึงจะคลานก็เคียงกายไม่พ่ายใจนะถึงจะคลานก็เคียงกายไม่พ่ายใจคือคลานแต่กายไม่แต่ใจไม่คลานใจสู้ก็ฝากเอาไว้ฮะให้พวกเราได้นึกถึงนะอยาที่รู้สึกพอเนาะ ก็ชาตินี้ก็พูดกันตรง น, น, นี้โอากาส